แต่เราในเชีวิต <c oughs> มีสิ่งที่เราเกี่ยวข้องหลายอย่างที่เราจะต้องทำดีที่เราจะต้องช่วยที่เราจะต้องสร้างที่เราจะต้องศึกษาที่เราจะต้องได้พบได้เห็นหคุณพ่อคุณแม่ ทุกคนมีพ่อมีแม่ทําไว้ในใจมีครูบาอาจารย์ทำไว้ในใจ <c oughs> มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์ทําไว้ในใจมีมรรคผลที่ผ่านทําไว้ในใจในศีลทานภาวนาทําไว้ในใจในดินน้ำมลมไฟทําไว้ในใจในที่อยู่อาศัยเรื่องนองห่มยารักษาโรคทํำไว้ในใจ แล้ตอนมีพี่มีน้องมีหมูมีเพื่อนผง ม, มีศรัทธาญาติโยมเจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยกให้อยู่เย็นเป็นสุข <c oughs> ได้มีโอกาสประพฤติทำในไรลู่ทำได้ลูรรมได้มีทมได้สร้างกุศลได้ทาดีในไรที่เราจะต้องช่วยในโลกนี่มีมากมาย คนที่ไม่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือก็มีสิ่งได้ไม่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือก็มีเราอยู่เย็นเป็นสุขของเรช่วยโน่นช่วยนี่นนทันพวกเราที่มาวัดสอยสุขโตมีโอกาสมาปฏิบัติธรรม <c oughs> ทำโน่นทำนี่ช่วยเพื่อให้เป็นสิ่งเวดล้อมที่ดีได้ปฏิบัติธรรมและได้รู้ธรรม บรรูุธรรมเราก็จะได้ไปบอกไปสอนคนที่ยงไม่รู้ให้เกิดความรู้ให้เขาได้มีความดีให้เขาได้ช่วยชาติให้เขาได้ช่วยาศาสนาให้เขาได้มันรู้ทำไปเรื่อยๆนี่เป็นหน้าที่ของเราที่คิดไว้ในใจไม่ใช่เพื่อลาบส ก, กระเสียงเสวนยนยอไม่ใช่เพื่อมีพวกพ่องบริวารไม่ใช่เพื่อสิ่งอื่น แต่เพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อความดีความงามเพื่อช่วยเหลือคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ให้เขาได้รัธรู้ทำเห็นทำนสิ่งที่เราจะต้องสร้างนี่เราก็ตั้งต้นจากตรง น, นี้กันตั้งต้นจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็มีสิ่งที่จะต้องอีงอยงเออใจต้องการสร้างความรู้สึกตัว อยาให้เป็นความรู้สึกตัวดุนๆุ น, นก็ต้องมีความสำรวมในอินทรีย์สังวรอินทรีย์ไม่พูดก็อย่าพูดไม่ดูก็อย่าดูไม่คิดก็อย่าไปคิดเลยมากต่อสำรวมอินทรีย์ก็ทำไว้ให้แยบคลายไม่อยู่ในโสมนสิการติีตองให้อยู่ในความแยบคลาย ยผลผันผันแล่นอยาดวนรับยาดวนปฏิเชตมัมีความแยบคายเขมีศรัทธามันมีศรัทธาด้วยทําอะไรถ้ามันมีศรัทธามันก็หัวกลิ้งโคกขึ้นเขาโยงโยงยากอยากโน่นโน่นนี่นี่นะไม่มีศรัทธามันก็ไม่ก้าหน้าหรอกไม่ได้ถอยหล้าง ต้องศรัทธาว่าทำดีมันก็ดีทำชั่วมันก็ชั่วเรามาสร้างสติเราทำดีผ่านนี่แล้วคนที่มีสติเนี่มายกมือสร้างจังหวะมันผ่านอะไรมามันผ่านชั่วมันผ่านปัญหามาเยอะแยะปวาที่จะมาลู้สึกตัวเนะนี่เราก็เห็นศรัทธามีศรัทธาก่อนที่เราจะมีศรัทธาก็ต้องอ <c oughs> ครบบัณฑิต มีพูดบอกพูดสอนมีพูดเล่ามีพูดทำให้ดูมีความอยู่ให้เห็นมีความสุขให้ดูบ้างให้ได้ครบกับบุคคลประเภทนี้บ้างอยากครบแต่คนพนันอยากครบแต่คนกเกเรบังทีมันมีบัณฑิตอยูท่ทั่วไปในโลกนี่ล้าก็หมพิจนาเมื่อครบบัณฑิตแล้วก็ ฟังสัจธรรมบ้างสัจธรรมบ้างบัณฑิตกล่าวสัจธรรมอะไรก็ฟังบ้างแล้วก็ทำตามบ้างเอามาทำบ้า ง, งไม่ใช่ในแต่สตินะเราเริ่มต้นจากก็บัณฑิต์เราก็ฟังธรรมฟังธรรมล้วก็มีศรัทธามีศรัทธาแล้วก็มีความทำไว้ในใจมีสติ เรามีสติปัญญาเริ่มแล้วกัะนเะลเริ่มจะลบแล้วมกัะนเะลลบกับนิวรณธรรมลบจากนิวรณธรรมก็ลบจากาวิชาลบจากวิชาก็เกิดวิชาขึ้นมาแต่เนี่วิชามันหอหุ้มโลกโยู่ความใหม่โลกความใหม่โลกใน คำสอนที่เป็นปัจจัยการขออวิชชาขอให้เกิดสังขารสังขารขอให้เกิดนามรูปนามรูปขอให้เกิดอายตนะอายตนะขอให้เกิดผัสสะผัสสะก็ขอให้เกิดเวทนาเวทนาขอให้เกิดตัณหาตัณหาก็ขอให้เกิดอุปทานอุปทานขอให้เกิดภพิดชาติชลาวรณะโส่กลับเริเทว่าทุกหนอเพราะที่เราจะทุกเนี่เริ่มต้นจากอาวิชา ก็ไม่ลู้ลู้ก็ลู้ผิดเราก็บุกเบิกมีสติฐานของที่จะลบกับวิชาคือทำต้นจากสติลบในวนลบในวอนได้แล้วก็อวิชาก็เปิดแพร่พ่ายแพร่ไปเลยพ่ายแพร่ไปเลยอันจะมีแต่สติล้นๆนก็แต่ว่าต้องมีศรัทธา บางทีถ้าไม่มีศรัทธาก็หยุดแล้วกลับบ้านจอยโกรธแล้วคิดแล้วโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบไปโน่นดีกว่าไปนี่ดีกว่าสนุกสนานดีกว่าเปิดเทินที่ไหนไปที่นั่นดีกว่าดิสีที่เ่าที่ไหนที่นั่นดีกว่าเพลงที่ไหนไปที่นั่นดีกว่าก็ไปยเพื่อนไปเข้าสู่ดงอวิชา ไอชาคือป่าของชีวิตมันมืดนะที่ใดไม่ป่ายาประมา่าเสือบาดมีอยู่คู่สถานคอยจับจ้องมองเหยื่อทุกวันวานใครเดินผ่านไม่ระวังมีมังหวังตายนะที่นี่เปรียบเสือเหมือนตันหาอาวิชชาความไม่รู้พาให้ลงไหลแม่เสืองามตันหาพมนักใดในต่อเมื่อใดข่าเสือได้สบายเอ้ย คือไม่มีอวิชชาไม่มีวิชาเสือก็ไม่มีมันมีวิชาแล้วเหมือนป่าสุขโทเลานี่แหละก็มีป่ายังมีงูพิษมีอะไรเยอะแยะโดดเลยมีเห็บมีบุ้งมีทากสมัยก่อนเรานอนต้องเอาต้นบักแดงเอาต้นบักแดงมาปูต้นเล็วมาปู ถ้าโคกเห็บมันจึงไม่ขึ้นเพาะไม่ป่าที่ป่าป่าภาษาโลกโลกป่าในใจเรานี่ในชีวิตเราเนี่็คือวิชาเราไม่รู้แล้วนะมันบ่งการเราอยู่เราจะต้องมีสติอ่ารือสึกตัวป่าจะเกิดขึ้นเพราะนิวนรณ์เราทำนิวนรน์เราทำมันเป็นสิ่งที่ขวางกันฟ้งองวงเงาเหานอน ความคิดฟุ่งซ่านความเมตตาสงสัยพยาบาทมันเนี่ยมันมันเป็นแต่ทั้งมันจะสร้างให้ป่าเกิดมันทําให้ลบมันลบ ก, ก็มีป่าเราจึงมีสติตรงเข้าไปหาในวันละรำมันก็เป็นอยางนั้นจริงๆริงพอมีสติวินิวันละทมก็ขวงกันอยู่เรื่อยขวงกันอยู่เรื่อยคิดหน้าคิดหลังลังเลสงสัยนะพยาม ถ้ามันไม่มีสติก็ทำไงก็ไม่ได้ก็เกิดศรัทธาอย่าหลุดไปเลยศรัทธาเข้มชนหนุนไว่อเออคราวนี้ก็ไม่เป็นไรเราจะพยายามนะจะพยายามทําไว้ในใจปฏิบัติอยู่ทําตามอยู่ทําในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่บางทีอาจจะเดินจะกลมไยไว้อาจจะสร้างจะว่าไม่ไหวอาจจะนอนทําในใจทําตามอยู่ปฏิบัติทำอยู่ทําในใจอยู่ เพราะมีศรัทธาไม่ตกไปไหนถ้าไม่มีศรัทธาคำ่ำไม่ก็หลุดง่ายไม่มีสำรวมอินทรีย์ไม่มีการสำรวมอินทรีย์หลงโล่ ง, ลงจงจงผลผันลเล่นก็ไม่ได้การเจริญสติมีส่วนประกอบหลายอย่างที่จะช่วยให้สติงอกงามพอเราปลูกต้นไม้ยนี่แล้วมีปุ๋ยมีน้ำรายยาพรวนดิน อะไรต่างๆดูแลมันจริงจังนันอยาสร้างสติดุ่นๆให้มีศรัทธามีการสำรวมอินทรีย์อยู่ในสมนัติการติดต o n ใครควรดูอยู่เรื่อยๆให้หนักแน่ น, อ ย, น, นอย่าผลผันอย่าวู่วามให้คบกับสัตธบปุรุษผู้ที่จะปอกสอน แล้วฟังคําสอนของท่านเรว่าสัจธรรมสัจธรรมเป็นธรรมที่ทําได้ปฏิบัติได้ไหมเช่นพระพุทธเจา้าของเราใครได้พบกับพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าก็มักจะสอนดูกรดูกรดูนี่ดูนี่นะดูนี่ดูนี้โลกไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยงรูปต้งก็ไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเสียงไหนไม่เที่ยงเสียงไหนเป็นทุกข์เสิยงไหนเป็นทุกข์เสิยงนั้นไม่ใช่ตัวตนเสิยงไหนไม่ไม่ใช่ตัวตนเสียงนั่นไม่ควรไปยึดไปถืออ่าถามไปฟังไปพระสงค์สวกของพระพุทธพระภาคเจ้า วามไปถามไปไปเลาะจริงจริงตามพระเทศนาของพระเจ้าเนี่นี่เราสัตตุผ้ที่บอกความจริงบางทีเราอยากไปโกรธคนเดียวอยากไปทุกคนเดียวอยากไปหลงคนเดียวคบสัตตุผลบ้างสัตตุุษหาไม่ได้ก็ให้ตัวเองอเป็นกัญาณมิตรกับตัวเองอถ้ามันร้อนมาก็หยุดเย็นๆบ้าง มีศาสนธรรมกันละยาณมิตรกันละยา น, น, ยานธรรมต่อตัวเองมันมีมันมีมันมีหลักอยู่ดอกเวลามันโกรธก็มีหลักอยู่ทำไว้ในใจอย่าเพิ่งพูดในเวลาโกรธอยาให้โอกาสความโกรธร้อยเปอร์เซนเฉลี่ยมันลงบ้างวักไว้บ้างเว้นวักไว้บ้างอยากให้มันพืชไปเว่นวักไว้บ้างโยนโจยเย็นๆมาเรียกว่า โยนในโสเรียกว่าทําให้แยบคลายหรือว่ามีศรัทธาทําไว้ในใจการเจริญจิตีนะโยนโอกาสลหลายส่วนลหลายอย่างลหลายๆเหตุการณ์เอาบทเรียนลหลายๆอย่างความโกรธเราก็ได้บทเรียนที่จะสร้างความไม่โกรธความหลงเราก็ได้บทเรียนที่จะสร้างความไม่หลงความทุกข์เราก็ได้บทเรียนที่สร้างความไม่ทุกข์มันมีมันมีคู่มันมี ตรงกันข้ามอยู่เช่นเจ้าสิทธธัตถะเห็นเกิดเจเตเจ็บตายพ้องก็มองตรงกันข้ามนะมองไปมองมาเห็นสมณะมีโอกาสวันที่เป็นอย่างนั้นพอเห็นเช่นนั้นล้วก็เตรียมเตรียมที่จะดำเนินชีวิตไปนะคิดดีๆคิดหน้าคิดหลัง จิตตัฏฐะกับพิมพามีความรักกันที่สุดความรักของจิตรัฏฐะและพิมพาเนี่ยเป็นความรักที่เกิดโพธิญาณไม่ใช่ความรักเพื่อเกิดกิเลสตัณหามีผู้หญิงคนเดียวที่มีความรักให้เกิดโพธิญาณความสุขในโลกมีพิมพาเป็นผู้มีความสุขในโลกที่สุดแต่เป็นลาชีนีเราคงจะลํำบากคงจะออกงานคงจะสะดุ้งฮะ อันนี้สิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยหลับสบายเย็นความรักพาให้เกิดโพธิญาณสิทธัตถะก็รักเพิมพาเพื่อทําหน้าที่นี้ความรักของเรายิ่งใหญ่จะเกิดโพธิญาณเพื่อช่วยโลกคนเดินไปไม่ได้ดอกนอกจากสิทธัตถะด้เพียมพาที่เกิดหัวขนพบปลุกเบิกของเราก็เลยมาต้องไปอย่างนั้น มัต้องบุกเบิกขนาดนั่นมามาเถอะไม่ครอบไม่ครัวไม่ผัวมีเมียไม่มลกูกไม่หลานก่ให้มันเกิดประโยชน์ต่อครอบครัวบุดพปัญญาสามีของตนของต น, งตนให้เราเย็นเย็นให้คนอื่นเย็นลงเราเย็นถ้าเราหยุดคนอื่นก็เย็นก็หยุดตามเราได้นี่จึงว่าโยนิโสมรศิการมีศรัทธา มาได้อยู่ที่สุขโตอยู่ที่น้อยที่ทำงานที่บ้านที่ถต น, น้นหน้นทางทำไปศึกนะษาไปในโลกนี้มันมีอยู่รอกจะไปมองในโลกใ้แง่ร้ายพอเห็นพสะงเราก็หมดหวังพอสงกินหลอกพอสงทํทำไม่ดีไม่งามไม่เป็นวิสัยสมัมนะก็อย่าไปฟึงเกิดเหมือนดาย บางคนเบื่อหน่ายพระสงฆ์เพรเลยไม่อยากคบกับพระสงฆ์ไม่อยากเข้าวัดเข้าว่าบางทีมันมีอยู่คิดเผื่อไหว่คนดีคนร้ายก็มีอยู่ในโลก <c oughs> วัดก็ไม่ทั่วทั่วไปจะไปจนใจไม่มีอะไรก็ทําไว้ในใจกบัณดิบคือตัวชีวิตเรามีสติ หยุดเย็นวางปล่อยอบคน้นพานคือความช่วยไลย่คิดไล่พูดไล่ทลําไล่หมดนะให้บัณฑิตในตัวศาสนาธรรมในตัวอัตพิประสงค์ในตัวเนี่ยวัตถิเกศวรในน้อยในตัวนิพพานในน้อยในตัวจะไว้ให้มันไกลเกินไปสกวรในน้อยก็มีความสุขว่าสํารวมลง ฟังตาทาองหูจมูกเรี้ยงกายใจคิดดีให้เป็นทำดีให้เป็นพูดดีให้เป็นสวรรค์เ น, น้อยสวรรค์หลังคามม่งจากมุ่งแฝกสวรรค์อาจจะอยู่หลังคามม่งแฝกโบราณท่านว่ากินประแดกขาดให้แฉหน้าสวรรค์อาจจะไม่เป็นสวรรค์เมืองกรุง สวรรค์ลังคามงแปกกระตุกน้อยๆลังคามงแฝกกินปลาแดกขาดในท่ายหน้าไม่สวรรค์ได้หลังกันความสุขทางใจ ไ, ไม่โพความไม่พ้นพันมีแต่เม็ดมีแต่เพื่อนโลกเต่าเราล้านสามีพัญญาสวรรค์ น, น้อยๆอย่าให้มันไกลเรากันไปของเท่ไกลมันเอื้อมไม่ถึงอย่าไปเอื้อมไกลโบราณท่านว่ามีสิบเบีย้ยอยู่ฝากน้ำเจ้าจะเอากะนึ่งหา สองสรืงในมือเหาเจ้าเก็บเอาไว้พอใจปะละเีอนเคยได้ยิเอนบะนะตำโบราณร้อยปีพันปีเนี่ยนี่เสรืองเพิ่งมันจบให้ครบบาทสิบเบียอยจะฝากนา้ําอย่าอา่าวขั้นหนึ่งหาสองสลึงในมือให้เจ้าขั้วเอาได้สิบเบี้ยอยจะฝากนา้ําวดเอบนหวุนสํานักปฏิบัติทําดี อาจารย์แจ้งเป็นพระอรหันต์เป็ น, ะะ น, ปนโูมิตาทิพย์ป่อแหกันไปมันไกลเกินไปเราก็ไม่ได้อะไร <c oughs> อ, ะอันนี้ก็แหกันไปดูปเขเกี่ยวแก้วเออแหกันไปบอกอยู่ก็ไม่เอานะนาไปว่ายเขเกี่ยวแก้วศาสนวัตถุศาสนาธรรมอยู่ในตัวแก้วคือรัทนะให้มันงาม พระโพธิธระมผสมพระธาตุลู่ตื่นเบิกบานแก้วนให้ลู่ให้ตื่นให้เบิกบานพระธรรมก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญากําจัดกิเลสได้บ้างอ่าโครธอหลงอย่าทุกข์ให้เมได้บ้างให้เมเหลี่ยมไหวตัวเองบ้างมีสติบ้างพระธรรมมีเมตตากรุณาบ้างนี่คือพระธรรมเป็นรัตนะิะ พระสงฆ์คือปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบั ต, บติออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรนำทำหน้าที่ถ่องควรตรงต่ออะไรตรงต่อศีลตรงต่อธรรมตรงต่อบุคคลสามีก็ตรงต่อภรรยาภรรยาก็ตรงต่อสามีตรงต่อศีลต่อธรรมนี่พระสงฆ์แต่ถ้ามันไกลตัวแต่ของที่มันไกลตัวมันเอื้อมไม่ถึงมันใช่ไม่ได้เราเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกา ปิกุิกุนีผู้นั่งใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าหายใจเข้าก็ระยินหายใจออกก็ระยินรู้อยู่ใกล้ๆพระสตาไตพุโทโธพุโทโธรู้ตื่นเปิกบานอย่าไปไกลเกินไปเดีใชพ้พรมก็โอ้ยนนเดอสุขโตนนเดอสุขโตคือไปดีมาดี เดี๋ยวไปดีไปทำงานก็ไปดีกลับก็กลับมาดีทำอะไรก็ทาดีสุขโตคือผู้ที่ไปดีมาดีไปดีแล้วมาดีแล้วไม่ทุก์ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียเบียนคนอื่นจะใช่สุขโตอยู่ที่นี่สุขโตอยู่ที่นี่ก็เป็นอันหนึ่งเป็นถานที่เป็นวัตถุแต่ถ้ามาแล้วอาจจะไม่ถึงสุขโตก็ได้ยังมาไม่ดีคนมาสุขโตก็ไม่เยอะ มารักเอาเครื่องขยายมารลกเอาเครื่องตัดจ้าแต่ไม่ใช่นะับมาดีสุขะโตมาดีจริงๆพวกเราจะ่มามาก็ไม่มาเฉยๆเอาอาหารหวานค้าวมาช่วยวางคนก็มาสร้างกติมาสร้างโน่นสร้างนี่ให้พวกเราได้รับความสะดวกเรียกว่าศรัทธาเจ้าภาพคุณก็มีนะหลวงพ่อก็ไม่ลืมสักทีเลย ศรัทธาเจ้าภาพทั้งหลายที่ได้มีโอกาสได้มาทำบุญสร้างวัดสร้างว่ า, า, วาปฏิบัติธรรมได้รับความสะดวกไม่มีอะไรก็หามาหานน่นอันนี้มาให้หานนทนอันนี้มาให้ชันให้พรบให้ชันเสาวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆนำมาในศรัทธาไม่ใช่เล็กน้อยนะศรัทธานะเป็นทรับเป็นอริยทรับ ให้มีเหมือนมีเนื้อนาหละศรัทธาเนี่ยนั้นเรามีนาถ้ามีศรัทธาเราไม่จนอะทําดีจนได้ได้มากไต้ผลจนได้ถ้ามีศรัทธาศรัทธาในศีลก็มีศีลได้ศรัทธาในธรรมก็มีธรรมได้ศรัทธาในบุญก็ทําบุญได้ถ้าไม่มีศรัทธาก็ทําอะไรไม่ได้เราตกต่ําลงไปจนะไม่มีหลัก อาการเจริญสตินี่ให้มีหลายหลายอย่างแนวร่วมเครื่องมือเพื่อที่ให้สติงอกงามเราก็ทําโดยตรงหละสตินี่นั่งสร้างจังหวะเดินจองกรมหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกเอาอะไรในกายในใจเรานี่มาพลิตเป็นวัสดุประกอบผลิตความรู้สึกตัวให้ความรู้สึกตัว รูกตัวทั่วพร้อมรูปตัวเป็นหน้าโลกพร้อมที่จะรู้ไม่ใช่พร้อมที่จะหลงพร้อมที่จะรู้นะทางตาเห็ union, รนรูปก็พร้อมที่จะรู้สึกทางหูได้ยินเสียงก็พร้อมที่จะรู้สึกเวลาใจมันคิดก็พร้อมที่จะรู้สึกไอ้ตาเห็นงูมาก็พร้อมที่จะรู้สึกที่จะหลบมัน เห็นอะไรที่มันไม่ดีก็ลบเป็นอะไรที่มันเป็นความชั่วก็หนีชั่วไปทําดีลบของที่ไม่ดีไปทำความดีแล้วว่าลู่ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สร้างแคหวะาลู่แต่สร้างแคหวะาลู่สึกตัวทั่วพร้อมสร้างแคหวะอย่างเดียวเห็นหนลายๆอย่างเห็นเวทนาเห็นความคิดว่านัน่นพร้อมที่จะลู่พร้อมที่จะกลับมามันหลงพร้อมที่จะกลับมาความลู่ มันผิดพร้อมที่จะกลับมาหาความถูกมันทุกข์พร้อมที่จะกลับมาหาความใหม่ทุกข์เดี๋ยวรู้ตัวทั่วพร้อมทำอย่างนี้สติเขางอกงามละ่ะไม่จนงามเลยพาเราทำนาล่ะก็มีฝีมือก็เป็นหมอก็มีฝีมือคนไข้มาพร้อมที่จะหายเราหลวงพ่อกินย า, าแก้แผลที่หมอให้เขาเจอว่าดีขึ้นดีขึ้นจะต้องชั้นอีกไหมเน่ย ไม่ฉันได้ไมเอาเม็ดเดียวก็พอเนาะเม็ดเดียวพอไหมมันก็ดีขึ้นแล้วเม็ดต่อเยยี่เม็ดห่งแปลว่ดีมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดเก้าสิบก่าเปอร์เซ็นตต้องกินเหรอเนาะเอาเม็ดเดียวพอรือเมี้เม็ดเมอีกเม็ด เอาพวกนี้เนาะวันนี้ไม่เอาเนาะเอาพวกนี้ตอนชันข้าวเสร็จก็เอาแล้วนี่พวกนี้ก็จะมีพระมาตั้งสิบคนรูปนะประเดินตรงมามาแวะพักปฏิบัติธรรมอยู่กับเราสักสองสามสี่วันเอ า, อาจจะปรับ ก, กฎหด้ อ, อยู่กติที่ไหนก็ได้คอยดูแลพวกเขาด้วยมายจากอำเภอจตุรัสวัดอป่าอะไร แ ล, <c oughs> แล้วก็รู้ว่าวัดเราคืออะไรตรงไหนก็ก็มานะะมาอยู่สิบขวบลูนะกตรงนี้นะอาจจะมาว่าเราไม่ต้องเลยฉันเ ช, ช่าฉันเ ช, ช่าก็ฉันแล้วจึงจะมาเพนเขาก็ไม่ฉันแต่วันที่วันวุ่นก็จึงค่อยฉันเป็นไปบินทำ บ, บาติ ถ้ามาไฟหวานก็ได้ถ้ามากันหนกมากยันนี้ก็มีลงทานคนเดียวคนที่เซียนอบางทีก็พวกเราก็ช่วยกันพระก็ช่วยกันแต่ก่อนนี่นมกงพ่อเสถียร น, นะทำครัวเกงเก่ง Atte atte atenção, ไปอยู่เดี๋วนี้ไปอยู่มหาวันเราจะชวนท่านมาอยู่นี่ก็ไม่รู้ห า, ายไปไหนอีกทําครัวจ้งจ้อจงจงนี่อะไก็อยากให้ฉันทำอะไรก็อันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดียกไห้โยมยกไห้พระอ่าฉันเถอะฉันเดินี่น้ําใจหลวงพ่อจะเถียนเลยแต่โยมกลัวบาปไม่บาปไม่บาปไม่บาปหลวงพ่อจะเถียนบาไม่บาปไม่บาปมันเป็นบุญเน่ะช่วยทัานช่วยทัานช่วยทันก็จะเถียน เกิดล้นดาวคราวเดียวกับหลวงพ่อแต่ว่าแข็งแรงกว่าหลวงพ่อมากโน้หายไปไหนว่าจะเอาขึ้นมาเยอะสุดๆแต่ว่าไม่ใช่มา ใ, ใช่ดหรอกท่านท่านพอใจทําไมแน่าหลับไฟป่าเชิยกันใช่ไหมก่อนโอ้ยหลวงพ่อจะเห็ยนดับไฟป่าคราวหนึ่งสองคนสองลูกแต่จะไปเลี้ยงชาวบ้านกัไฟมันก็มาหนักเข้าหนักเข้าโซ่สองององ์อ แล้วก็พ่อจเจตียนครับเรียกหากันอยู่ไรด้วยคนมันทุ่มไม่เห็นเลยแล้วพ่อจเจตียนก็เรีย ก, ยกลุงพ่อครับได้ไหวไหมไหวไหมทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆไหวไหวไหวดับไฟดับไฟดับไฟอะไรก็ไม่รู้ฝนตกลงมาเลยโอ้ไม่ได้ดับไฟขนาดดับไฟร่อนๆเีออยฝ น, น, นตกลงมาเลยทั ก็โม่มืนก็นเทพเจ้าเทพ ด, ดามาช่วยนั่นหเหละแปรกเลยมันเนี่ยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนี่ยแล้วออกมาทางนอกเนี่ยฝนก็ไม่ค่อยหนักอยู่ในป่าหลังหอไตหลังเก่าไปเนาะโอ้โธ่ไฟนี่มอดทันทีเลยอ่าถ้าเป็นงนั่นก็ดีเนาะในหน้านี่ก็ก็ฝนลุกเหมือนกันนะ ไม่เขาว่านักศึกษาวิทยาเกษตรจะมาวันที่สิบกลุ่มหนึ่งสิบเว็ดกลุ่มหนึ่งเขาอยากมาทำบุญแล้วก็มาช่วยวัดจะให้ทำอะไรให้จันสุทัิจันทร์ทรงศิลพวกเราจันท่าจันโนดจันยอยเออยดูแลพ้นงานให้เขาสามาถามผมผมผมก็ไม่ได้ เอาแล้วถ้าทำไม่ได้ก็ไม่กล้าสั่งอ่าก็ทำแต่พรุ่งนี้จะมีพระมาสิบกว่ารูปจะให้ปกกดหรือจะให้อยู่กติกติพรอว่างไหมสิบกว่าหลังไนงะมีไหมเด้วมีไม่พอเนาะไม่ยั่พ อ, อวันนี้ก็กลับพระสองเดือน <c oughs>